พระธรรมเทศนาแผ่นที่เจ็ดสิบสองลำดับที่หกโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่ากราบขมาขอพรขับว่าน โ, โมพร้อมกันก่อนนะครับตั้งใจนะครับ ถือว่าเป็นการขอขมาครับพรบาอาจารย์นะครับนะโมทัสสะมขวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะมขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะมวะโตอะะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเฮเะ ผูคณะสัตยาโยมทั้งหลายวันนี้ได้มากราบคารวะขอพรเรียกว่าการช่วงที่จะสิ้นปีใหม่ให้สิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มากราบขอคารวะครูบาอาจารย์พวกท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพัง หลวงพ่อหรือว่าพระเทระอนุเทระทั้งหลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหลวงพ่อยินดีอโหสิให้กับพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านและข อ, ขอให้พวกเราท่านทุกท่านจงประสบแต่ความสุขกายสุขใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาและก็พร้อมกันพวกเราก่อนไหวก่อนเมื่อไหว้พระจบลงแล้วตอน ที่เราจะหลับนอนหรือว่าก่อนค่ำคืนหรือว่าไปนสถานที่ใดในเมื่อพอจะมีเวลาหลวงพ่อจะขอแนะนำให้พวกเราท่านทั้งหลายการาบคารวะอย่างวันนี้ละแต่พูดอย่างย่นย่อว่าเพราะเพราะว่าพวกเราจิตใจของพวกเรายังเป็นปุตชนอยู่บางทีเราก็ไม่นึกอยากจะปร ะ, ประมาท่านแต่จิตใต้จิตใต้สำนึกนมันออกมา มันออกล้ําหน้าไปก่อนแล้วมันเห็นพอเห็นก็เปิดประมาททันทีเลยทั้งที่ท่านก็ไม่ได้ทําอะไรกับเราบางทีประมาททั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประมาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกต่างหากเพราะฉะนั้นก่อนที่พวกเร า, าจะทําไหว้พระสวดมนต์หรือแต่ละวันถ้ามีโอกาสหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อไหว้พระสวดมนต์จบลงแล้วให้พวกเราประนมมือนึกในใจ พุทเฐปมาเทนะธรรมเมปมาเทนะสังเเคปมาเทนะทวารตัตเตเยนขตังสัพพังอปปลาทังขฆะมัทธเมพันเตเมแปลว่าฆ่านะมัทุนโณแปลว่าหลายคนนะเออแล้วก็มหาเทเรปมาเทนะเทเรปมาทเทนะาอาจาริเยปมาเทนะทวารตัตเตเยนขตังสัพพังอปปลาทัง พระ ม, ะมัเมผันเตนเะคยที่แรกว่าพุทธเถฒเมสังเข น, นคือข้าพเจ้าในประมาทพลาดพลั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของข้าพเจ้าที่ละลึกได้หรือไม่ละลึกก็ได้ก็ดีสำติดที่ได้ประมาทด้วยความโดยตรงหรือจิตใต้สมมึกก็ดีขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โปรดโอโหสิให้กับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะ สำรวมระวังจะพยายามสำรวมระวังให้ดีที่สุดต่อไปอันนี้ก็คืออันหนึง่งแต่นี่เทเลนนมาหาเทเลเนี่ยคือพระมหาเทระผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษามากเรียว่ามาหาเทเรเทเลเนี่ยตั้งแต่ยี่สพันษาลงมา 10, สิบพันษาเนี่ยอันนี้ว่าเทเรประมาณเทนะอาจารและเยเนีเ่ยแปลว่าต่ำกว่าฮะหรือว่าประมาณ 15, สักสิ้าพันษา เออห้ 5, 6, 7, 5, 000, าเจเป็นหพันษาขึ้นไปถึง15พันษาเนาอาจาริเยประมาเทนะเพราะฉะนั้นเราจึงพูดว่ามหาเทเรประมาเทนะเทเรประมาเทนะอาจาริเยประมาเทนะทวาและแเยเนขตังสัพพังอ ป, ปลาทังฆะมัทธเมผันเตฆะพระเจ้าได้ประม า, าพาดพังพระมหาเถระพระเถระพระอาจารย์ ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการขอมหาเถระพระเถระครูบาอาจารย์โปรดเมตตาโหสิให้กับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะได้สํารวมระวังต่อไปนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันนะทำให้จิตใจเราค้่องแวะทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทำให้จิตใจของเราไม่ปลอดโปร่งเพราะนั้น ขอฝากไว้กับคณะสถ า, า ญ, ญาติโยมโลูกหลานแต่พวกเราได้ทําวัดนะได้ทําวัดเย็นที่ว่าพุทธเถทรปมาเทนะทาวารและแตเยนะขตังสับพังอปปะละาถังฆะมะอาจารย์เทเลยอย่างที่ <c oughs> บอกกาเยเยวาจานะกาเยเยวาจายวาเจสสวาพุทเถกุกัมมังปะกาศตังพะยาหยังพุทโธปฏิขันห้าตัวจายันตังการันเตสร้างวริตุงกับพุทเถ อันนี้ก็คือการกล่าวภารวะไม่แพ้กันกับ น, นี้นะคณศธา ญ, ญาตโยมคืออันเดียวกันได้พวกเราได้ประมาทพลาดพังกับพวกใจา้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเหมือนกันกับที่หรวงพ่อได้พูดแต่อันนี้เป็นภาษาที่เราง่ายง่ายหรือว่าเวลาเรากล่าบไหว้พระศพแล้วอยว่ากายเยญวาจาทักสามครั้งเรียงกันก็ได้กายเยญวาจายาวาเจตถาวะพุทเถกุกัมมังประกาศตังมะยาอย่าง เราเปลี่ยนว่ารำเมหรือว่าสังเคกุกกำมังปะกตังพยายามแสงโคปฏิคันห้าทุกัจ ย, ยันตังการันตเตยสังวริตุงว่าสังเคอันนี้ก็คือนี่พวกเราได้ประมาทผาดพังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายด้วยวาใจขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โปรดโอ๋สีให้กับข้าพเจ้าด้วยครัข้าพเจ้าจะได้ส้ำรวมระวังต่อไปอันนี้ก็คือการอยู่ออกับครูบาอาจารย์ก็ ผูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออยู่กับวิญญาณวสุค น, นวสถึงพ่อแม่ของเราเหมือนเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสเราก็ไปกราบคารวะมานมาตาปิตุเลมารดาบิดาของข้าพเจา้าข้าพเจา้ า, จาได้ประมาทพลาดพังพ่อแม่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกขอให้คุณพ่อคุณแม่โปรดอโหสิให้ข้าพเจ้าด้วยธรรมดาพ่อแม่กับลูกก็ธรรมดาล่ะบางทีขอโอ้ โ, โหโก้ทายกันบ้าง แต่พวกเราเป็นผู้น้อยเป็นโลกถึงยังไงก็ต้องยอมยอมกาอมราบกรอมคารวะผู้เป็นพ่อเป็นแม่พวกเราเพราะท่านได้เลี้ยงดูเรามาเราจะไปแข่งข้อเราจะไปพูดโกรธโมโหโกรธาให้แก่ท่านนั้นอันนั้นไม่ถูกนะถึงยังไงท่านพูดผิดพูดถูกเราก็ยอมรับจบถ้าเราทําไปแล้วก็มันไม่เป็นผลดีมันเป็น มลทินหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจของเราเรา่าร้อนจิตใจของเราทุกในใจอพอได้พูดไปแล้วมันจิตใจมันเก็บไว้นานนะลูกหลานนะเพราะนั้นอย่าไปเก็บไว้ในสิ่งที่มันไม่ดี เ, เราขอการาบคารวะทันทั้งอ่อนน้อมซะแล้วก็จบจบไปนะเราพอใจสํารวมเราจะได้สารวมระวังต่อไป น, ะนี่แหละอันนี้กัข่าวนี้ก็ณนักศัทธาญาติโยมลูกหลานได้ประมาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเป็นต้นนะกับคณะสงฆ์ทั้งหลาย หลวงพ่อเองยินดีเอาโหสีให้กับพวกคณะศรัทธาญาติโยมขอให้พวกคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบข้องศีลธรรมก็ขอให้สมหวังลูกหลานทุกๆคนาาศรัทธาญาติโยมทุกคนจงสมหวังดังปรารถนาทุกๆท่านเทินอะหังขามิตุมเหหิปิเมขามิตับบัง เอวังโฮตูเอวังโฮตุโยจะปุเบปมัชิตวาปัจชาโซทะปมัิสติโซมังโลกังปพาเสติอภามุตโตวจันธีมาอาพิวาธนาสีลิสนิจยังมุ ธ, ธาปจายีโนจัตตารุธรรมาวัานติอายุวันโนสุขังภาราัง